บทภาชนีติกะปาจิตตร้อยิบสอยังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่ได้บอกนั่งหรือนอนบนอาสนะต้องอบดัดปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีไม่แน่ใจนั่งหรือนอนบนอาสนะต้องอบดัดปาจิตตียังไม่ได้บอกภิกษุณีสําคัญว่าบอกแล้วนั่งหรือนอนบนอาสนะต้องอบัดปาจิตตีติกะทุกกฎ ไม่ใช่ที่สำหรับนั่งคาสมาธิต้องอบัตทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่ายังไม่ได้บอกต้องอบัตทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎบอกแล้วภิกษุณีสำคัญว่าบอกแล้วไม่ต้องอบัต